ก็กุติที่ก็กุติคือร่างกระดูกนี้เป็นที่อยู่ของลิงเพราะฉะนั้นลิงจึงออกจากกุติที่มีประตูกี่ประตูอย่างน้อยห้าประตูใหญ่ๆเนี่ยนะพยายามอยู่บ่อยๆก็ย่อมเที่ยวไปทางประตูเดี๋ยวเที่ยวไปทางตาบ้างเที่ยวไปทางหูบ้างเนี่ยนะฝนคือกิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมรั่วลดซึ่งกุติใดบ่อยๆเพราะสัตว์ทั้งหลายถูกปกปิดเอาไว้ด้วยเครื่องปกปิดคือ ตันหามานะและทิฏฐิกุตินั้นมีหลังคาเปิดแล้วอย่างที่พระองคอุทานว่าฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถสิ่งที่ปกปิดย่อมไม่รั่วรถสิ่งที่เปิดเพราะฉะนั้นนะฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถผู้ที่ปกปิดอาบัติย่อมไม่รั่วรถผู้ที่เปิดเผยอาบัติเพราะฉะนั้นพึงเปิดเผยอาบัตที่ปกปิดไว้เสียเมื่อการเช่นนี้ฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรถ อาบัตที่เปิดไว้นั้นแล้วเพราะฉะนั้นดังที่ขันธกะที่พระองค์ตรัสอธิบายเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์นี้ว่าภิกษุใดปกปิดอาบัตไว้กิเลส ท, ทั้งหลายและอาบัตทั้งหลายย่อมรั่วรดจิตของภิกษุนั้นบ่อยๆส่วนภิกษุใดไม่ปกปิดอาบัตเอาไว้กิเลสและอาบัตทั้งหลายย่อมไม่รั่วรดจิตของภิกษุนั้นเพรานในเถราคาบอกว่าผู้ใดมีกิเลสดุดหลังคา มีราค่าเป็นต้นกิเลสนั้นย่อมรั่วรถจิตรั่วรถเรือนคือจิตที่ปกปิดไว้นั้นของผู้นั้นเพราะเรือนนั้นเป็นที่เกิดของกิเลสมีราค่าเป็นต้นในอารมณ์ทั้งหลายมีอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นต้นหรือผู้ใดเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นเอาไว้ ฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถกระท่อมคืออัตภาพของพิสูุน์นั่นเองที่ปกปิดไว้ด้วยหลังคาคือกิเลสอันตนอดกลั้นไว้บ่อยๆการที่หลังคาคือกิเลสอันผู้ใดากาจัดแล้วก็เปิดออกแล้วด้วยลมคืออรหัตตมรคยานฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรถเรือนคือจิตของผู้นั้นอันนี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าประสงค์แล้วว่าพระองค์นี้อาศัยลมคืออรหัตตมรคเปิดหลังคาทิ้งหมดแล้วนะ หลังคาคือราคะหลังคาคือโทสะหลังคาคือโมหะพระองเนี่ยเปิดเสร็จแล้วก็เลยเรียกว่ากระท่อมกระท่อมคือใจของพระองค์เนี่ยเปิดเปิดราคะโทสะทิ้งหมดแล้วด้วยลมคืออรหัตตมัตมีไฟดับแล้วนี่พุโตเนี่ยนะก็คือดับเข้าไปสงบแล้วอธิบายว่าสรีระทั้งหมดนี้ร้อนอ น, นะกายของเราที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยไฟสิบ็ดกองสมอยู่เลยนะมีอะไรบ้าง นะเขบอกว่าไฟ11กองเรียกว่าคินิเนี่ยนะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าร้อนพระไฟคือราคะร้อนพระไฟคือโทสะร้อนพระไฟคือโมหะร้อนพระชาติชรามอรณาโศกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตไฟทั้ง11กองของพระพุทธเจ้าดับสนิทแล้วที่ควงแห่งต้นโพด้วยน้ําคืออรหะอรยามักนะโดยเฉพาะ อ, อรหัตมักพระองค์ก็เลยกล่าวได้เต็มปากเต็มคําว่าไฟของพระองค์ ดับแล้วเนี่ยนะซึ่งต่างจากเราทั้งหลายเนี่ยนะแบกกองไฟไปติดที่ไหนก็ไม่รู้นะสิบดกองเนี่ยแบกไปแล้วเนี่ยนะไฟสมท่วมโอม่ายัถึงพรมโลกนั่นแหละก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อย่างนี้ก็เชื่อว่าทรงตักเตือนคือให้โอว่าสั่งสอนนายทนิยะผู้ยินดีด้วยสิ่งอันไม่ควรยินดีนะจริงๆไม่ได้ไป น, น้ายินดีอะไรเลยจะตายพรุ่งนี้แล้วก็ยังไม่รู้ตัวมูเตร้องเพลงอยู่ด้วยความสบายใจเ น, นี่ยนะ ก็โดยยกเอาสิ่งอื่นมาแสดงอ้างถามว่าอย่างไรคือเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าเราไม่โกรธก็แสดงว่าดูก่อนนายธนิยะท่านยินดีว่าเรามีข้าวหงเสร็จแล้วก็ข้าวสุกอันบุคคลพึงหงด้วยการสิ้นไปแห่งรัพ์ตลอดชีวิตการสิ้นทรัพ์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในบรรดาทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์เพราะการรักษาเป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้ยินดีลงในกองทุกข์น่ะสิอย่างนั้นอ้าวถ้าหุงข้าวเนี่ยกว่าจะเอาข้าวมาหุงได้เอาข้าวมาอย่างไรเอากว่าจะหุงข้าวได้ทีนี้ข้าวที่หุงเนี่ยมันจะมีให้หุงตลอดไปไหมมันก็หมดมันจะต้องมีการสแสวงหามีจะต้องมีการรักษาบำรุงท้าทถามว่าความทุกข์เพราะอาศัยข้าวเนี่ยมันขนาดไหนกว่าจะมีข้าวมาเก็บไว้ในยุ่งในช้างเอามานวดเอามาสีเอามาตําเพื่อจะมาเป็นข้าวสารมาหุงมาต้มมากินเนี่ย กว่าจะบำรุงดูแลกว่าจะได้ขนาดนี้มันเหนื่อยขนาดไหนท่านบอกว่าท่านยินดีในในการหุงข้าวหุงข้าวสุกแล้วเนี่ยนะเตรียมจะกินจะเอิ่มเนี่ยท่านยินดีในกองทุกไม่ใช่หรือเนี่ยนะเป็นผู้ยินดีในกองทุกซีแต่ว่าข้าพเจ้านี่สิข้าพเจ้าคือพระพุทธเจ้านี้เราเป็นผู้ไม่โกรธจึงชื่อว่ายินดีแล้วในความไม่มีทุกขในปัจจุบันแล๊ะ สัมปรายะพบพระองค์ไม่มีทุกในชาตินี้ไม่มีทุกในชาติต่อๆไปไม่มีทุกทางใจอีกแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังหลักต่อชื่อว่าย่อมแสดงว่าดูก่อนนายทนิยะท่านยินดีว่าเรานิรีดนมเสร็จแล้วจึงคิดว่าเราไม่ต้องทำงานแล้วหมดธุระแล้วจึงยินดีไหม แต่เราพอใจว่าเราไม่มีกิเลสดุดหลักตอ่อคือไม่มีกิเลสดุดตะปูผู้เสร็จกิจสิบหแล้วจึงยินดี น, นะแค่ของท่านแค่รีดนมเสร็จเนี่ยนะรีดนมเสร็จมันจะใช้ได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็รีดอีกรีดอีกรีดไม่มีจบมีสิน้นถ้าโคป่วยโคไข้โ ค, ค, โคติดเชื้อโรคจะว่าไงเนี่ยก็ทุกข์สิใช่ไหมแต่ของพระองค์นี่ไม่มีกิเลสดุดหลักตอ่อพระองค์จึงเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริง เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมหีสิ้นราตรีหนึ่งก็เชื่อว่าแสดงว่าดูก่อนทนิยะตัวท่านยินดีอยู่ว่าเราอยู่ร่วมกันที่ฝั่งแม่น้ำมหีกลับด้วยพริยาสภัยและกรรมกรเชื่อว่ายินดีแล้วด้วยการอยู่ร่วมประจําถึงสี่เดือนก็การอยู่ประจําย่อมมีได้ด้วยการเกี่ยวข้องด้วยที่อยู่ การเกี่ยวข้องด้วยที่อยู่นั้นเป็นความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้พอใจด้วยทุกข์นั่นเองถ้าฝนตกลงมาแล้วแตกกระจายไปหมดนี่อะไรจะเกิดขึ้นจะมีความสุขไหมโอ้ยหาความสุขมาแต่ไหนเพราะตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นได้สี่เดือนที่ไหนหละ่ะมันส่วนข้าพเจ้าพอใจอยู่ว่าคือพระพุทธเจ้าพอใจอยู่ว่าเราอยู่สิ้นราตรีเดียวชื่อว่าพอใจด้วยการไม่อยู่ประจา ก็การไม่อยู่ประจำย่อมมีเพราะการไม่เกี่ยวข้องด้วยที่อยู่และเป็นการไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยความสุขเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้พอใจด้วยความสุขทีเดียวพระพุทธเจ้านี่อยู่อย่างเป็นสุขที่แท้จริงสุขที่ปราศจากความทุกข์ขณะนั้นก็สุขด้วยแล้วไม่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ต่อไปด้วยเพราะเป็นการอยู่ที่เป็นสุขและก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไป เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากระท่อมมีหลังคาของเราเนี่ยเปิดแล้วหมายก็ว่ากิเลสเนี่ยเปิดจากจิตเสร็จแล้วเนี่ยนะแสดงว่าดูก่อนธนิยะตัวท่านยินดีว่าเรานี่มุงบังกระท่อมแล้วเชื่อว่ายินดีเพราะเหตุที่เรือนได้มุงบังไว้แล้วก็แม้เมื่อท่านเนี่ยมุงเรือนแล้วกว็าตามเมื่อห่วงน้ำใหญ่ทั้งสี่ที่เกิดขึ้นจากฝนคือกิเลส กามโมคะภโวฆะทิโถโคฆวิโชคะซึ่งรั้วรถกระท่อมคืออัตภาพของท่านได้พัดไปอยู่ก็จะถึงความพินาศเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็พึงชื่อว่าเป็นผู้ยินดีด้วยสิ่งของที่ไม่ควรยินดีนะจะบอกแมมมีความสุขยังไงนะกระท่อมของท่านเนี่ยนะจริงอยู่หลังคาอาจจะใช้หญ้าคาเป็นต้นมุงบงังเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ห่วงน้ำนะคือภายนอกฝนก็ตกลงมา แล้วกระทอมคือร่างกายของท่านถูกกามโมคะพระโคะทิโถโคะอวิโชคะท่วมทับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะยินดีด้วยอะไร น, นะจริงๆใกล้เาเรียกจมอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความสุขแต่เราซิกระทอมมีหลังคาอันเปิดแล้วเชื่อว่ายินดีโดยความที่กระท่อมคืออัตภาพไม่มีหลังคาคือกิเลส เมื่อเราตะถาคตเปิดกระท่อมอย่างนี้แล้วเราตะถาคตถูกห่วงน้าทั้งสี่ที่เกิดขึ้นจากฝนซึ่งรั่วรถกระท่อมคืออัตภาพของเรานั้นไม่ได้พัดไปอยู่เราไม่พึงถึงความพินาศเมื่อเป็นเช่นนี้เราเชื่อว่าเป็นผู้ยินดีด้วยสิ่งที่ควรยินดีเพราะอะไรเพราะกาจัดกามโมคะระโวคะทิทโขคะอวิโชคะเสร็จแล้วดับห่วงน้าคือกิเลสได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไฟของเราเนี่ยดับแล้วชื่อย่อมแสดงว่าดูก่อ น, นิยะท่านนี้ยินดีว่าเราได้ก่อไฟแล้วคิดว่าเราผู้ไม่ได้สร้างเครื่องป้องกันอันตรายเลยได้เป็นผู้สร้างเครื่องป้องกันอันตรายแล้วจริงๆไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยใช่แต่สำคัญผิดนึกว่าตัวเองนี้มีเครื่องป้องกันแต่เราตถาคตยินดีอยู่ว่าไฟดับแล้วชื่อว่ายินดีแล้ว เพราะเหตุที่เราได้ทําเครื่องป้องกันอันตรายเอาไว้เพราะไม่มีเครื่องเร่าร้อนที่เกิดจากไฟสิอกองมีไฟคือราคะเป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสว่านแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเชื่อว่าแสดงว่าคํานี้ย่อมงามแต่เป็นคําพูดที่ถูกต้องสําหรับคนทั้งหลายเช่นเราผู้ปราศจากความทุกข์ผู้ประสบความสุข พระพุทธเจ้านี้ปราศจากทุกในวัตตะเข้าถึงความสุขด้วยอรหัตผลเนี่ยนะผู้ได้ทำกิจสิบหกจบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นแน่ฝนถ้าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเพราะเมื่อท่านตกหรือไม่ตกก็ตามความเจริญหรือความเสื่อมก็หามีแก่เราไม่ธนิยะส่วนตัวท่านพูดอย่างนี้เพราะอะไรท้าฝนให้ตกลงมาเพราะเหตุอะไร เพราะฉะนั้นพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วเชื่อว่าตรัสไว้แล้วโดยชอบคือผู้ถูกต้องเพราะว่าก็พระองค์เมื่อตรัสอย่างนี้ชื่อว่าทรงตักเตือนคือโอวาสั่งสอนนายทินยะผู้ยินดีด้วยสิ่งที่ไม่ควรยินดีเลยโดยนําสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องอ้างนั่นแหละท่าน่าอธิบายลึกซึ้งนะถ้าเราอ่านเองเนะก็ไม่รู้จะลึกซึ้งตรงไหนเนี่ยนะถ้าไม่มีอัตกะทาเห็นนะดีตรงไหนอ่ะนะ คนเลี้ยงโคเชื่อว่านายทนิยะพอสดับคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้ก็ไม่พูดว่าใครนี่มากล่าว ห, หมายความว่ามันเหมือนเพลงเกี่ยวกันนะเหมือนร้องเพลงเกี่ยวกัน่ะนะบอกเอ้ใครมาร้องเพลงตอบเราอย่างนี้ก็ไม่ไม่คิดพอใจยินดียิ่งด้วยภาสิทธ์ก็ประสงค์ที่จะฟังคาถาเห็นป่านนั้นอีกก็เลยกล่าวว่าเหลือบและยุงย่อมไม่มีโคทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในประเทศใกล้แม่นม้ํา ซึ่งมีหญ้า ง, งอกขึ้นแล้วพึงอดทนแม้ซึ่งฝนที่ตกลงมาได้แน่ฝนถ้าหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดอ้างว่าวัว น, นี่สบายมากเนี่ยนะวัวตัวเองเนี่ยไม่มีเหลือบมียุงไม่เที่ยวมากัดรอกตอนนี้วัวก็อยู่ใกล้แม่น้าหญ้าก็ขึ้นงอกงามหญ้าก็สวยฝนตกตกลงมาเถิดวัวของเราไม่เดือดร้อนหรอกว่างน อธิบายว่าเหลือบและยุงเหล่าใดห้อมล้อมกินเลือดของโคทั้งหลายอยู่ย่อมทําให้โคทั้งหลายถึงความพินาศโดยคู่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอฝนตกลงมาเท่านั้นพวกนายโคบานเหล่านั้นจึงใช้ดินร่วนคือดินร่วนคือฝุ่นและกิ่งไม้ฆ่าเหลือบและยุงเหล่านั้นเสียนายทนิยะเมื่อแสดงถึงความกระเซมแห่งโคทั้งหลายเพราะเหลือบแล ะ, ะเหลือบและยุงเหล่านั้นไม่มีแสดงถึงความไม่ลําบาก เพราะได้กล่าวถึงการไม่มีอันตรายในการเดินทางไกลด้วยการเที่ยวไปในภูมิประเทศที่ชุ่มชืน้นซึ่งมีหญ้า ง, งอกแล้วชื่อว่าย่อมแสดงว่าโคทั้งหลายของคนเราอื่นปรากฏอยู่ด้วยการรบกวนของเหลือบและยุงลำบากอยู่ด้วยการเดินทางไกลย่อมผายผอมเพราะได้หญ้าน้อยไม่พึงอดทนแม้ฝนที่ตกลงมาครั้งเดียวฉันใด นนคือโคของบางคนที่โคเพอไม่มียา ก, กินพอฝนตกลงมาก็แหมซัดเซเลยแหละส่วนโคทั้งหลายของเราจะเป็นอย่างนั้นก็หาไม่ได้เพราะโคของเราทั้งหลายอดทนฝนที่ตกลงมาถึงสองครั้งหรือสามครั้งก็ไม่มีอันตรายเลยนะเพราะโคของเรานี่เลี้ยงมาสะอ้วนผีฝนตกมาวันสองวันสบายมากเหมืนั้น ลำดับนั้นเพราะเหตุที่นาทธนยะกําลังอยู่ในเกาะในระหว่างน้ําเห็นภัยแล้วก็ผูกแพขึ้นแล้วก็ขึ้นข้ามแม่น้ํามาฮีถึงภูมิประเทศที่ชุ่มชื้นแล้วก็สําคัญอยู่ว่าเรามาดีดํารงตนอยู่ในที่ปลอดภัยก็เลยกล่าวคาถาอย่างนี้แต่เขาก็ยังดํารงอยู่ในที่มีภัยอยู่นั่นเองี่จริงเนี่ยเขาวางแผนนะเขาฉลาดมากถึงเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาผูกแพรผูกอะไรไว้เบ็ดเสร็จหมดถ้ามีปัญหาตกหนักจริงๆเขาก็เกราะขึ้นแพรหนีได้ แต่จริงๆก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะถ้าพูดแบบภาษาทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นคนที่รอบครอที่สุดแล้วเนี่ยนะมีอาการร้องเพลงแบบนี้ชื่อว่าแม้ประสบความสําเร็จที่สุดฉลาดที่สุดแล้วในในหมู่คนทั่วไปเนี่ยถ้ามองกันเฉพาะในโลกนี้เฉพาะในชาตินี้ก็ถือว่าคนฉลาดมากแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็มีภยัยมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่รอบด้านนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยพันธ น, น า, นาถึงสถานที่นายธนิยะ ที่ที่นาทินยะนั้นมาสถานที่พระองค์เสด็จมาว่าประเสริฐกว่าและประนีดกว่าพระองค์ก็เลยกล่าวคาถาว่าก็เราผูกแพไว้แล้วตกแต่งไว้ดีแล้วกำจัดโอคะ ข, ข้ามถึงฝั่งแล้วความต้องการด้วยแพรย่อมไม่มีแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด